ต่อไปข้อ8สัตมีวิพัฒน์ในอัศมปรธานะแปลว่าแดงหรือแก่เป็นสัตมีวิพัฒ์แต่ให้แปลเหมือนจตุถีวิพัฒเป็นสัตมีแต่ให้แปลเหมือนเป็นจตุถีดูตัวอย่างข้อหนึ่งสังเคทินเนมหัพลังไอสังเคทินนางมหัพลังทินนางแปลว่าให้แล้วสังเคแดสงแกสง ให้แล้วแก่สงให้ทานแก่สงมหาพลังมีผลมากไม่ได้แปลว่าให้ในสงแปลว่าให้แก่สงนะสังเคตัวนี้สมิงเป็นเอแต่แปลเป็นจตุถีแปลว่าแก่สงมหาพลังมีผลมากให้ทานแก่สงมีผลมากต่อไปข้อสองสังเคโคตมิเทหิโคตมิดูก่อนโคตมี เทหิเธอจงถวายสังเคแก่สงเป็นพระดํารัตที่ผู้เจ้าตรัสกับพระนางโคตมีที่นําผ้าที่ทําเองไปถวายจําได้ไหมพน้านางเนี่ยนะจําได้ครับจําได้ไว่ายังไงได้ผ้ามาจากไหนได้ผ้ามาจากไหนทอเองปลูกต้นไฟเองเลวยไหม เริ่มตั้งแต่ปั่นเส้นได้ปั่นเส้นได้นี่ก็ทําเองนะไม่ได้ไปซื้อผ้าสําเร็จแล้วจากตลาดมาถวายไม่ใช่เริ่มตั้งแต่เอาไฟมาปั่นเส้นได้ปั่นเส้นได้ก็มาทุบมาย้อมย้อมแล้วก็มาทอทอเสร็จแล้วก็มากะมาตัดมาเย็บมาซักมาย้อมน้ําฝาดอีกทีเป็นผ้าที่ประณีตที่สุดเพราะทํากับมือตั้งใจว่า จะถวายลูกชายถวายพระพุทธเจ้าเพราะพนางโคตมีนี้เป็นแม่เลี้ยงเป็นน้องสาวของแม่ใช่ไหมน้องสาวของแม่แล้วก็น้อมไปถวายพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าไม่รับปฏิเสธเพราะว่าพระเจ้าจะเห็นข้อคอรหาของชาวโลกว่าเมื่อพระโคตมีนําผ้ามาถวายก็จะตําหนิพระเจ้าว่าพระเจ้าเนี่ยบริโภคบริขารเฉพาะญาติเท่านั้นถวาย พุเจ้าเลยปฏิเสธพอปฏิเสธแล้วพานางโคตมีในเสียใจมากเลยอุตส่าห์ทำทุกอย่างมากับมือมาถวายพระลูกชายพระลูกชายไม่รับแต่พระพุทธเจ้าปลอบด้วยอุบายว่าโคตมีเธอจงให้แก่สงเถอิแล้วก็บอกเหตุผลในข้อ3ต่อไปว่าสังเคเ ต, เตทินเนอหันเจวปูชิโตพระวิสามิ แปลว่าทินเนเมื่อทันเตธานเน่ใส่เขามานะไม่มีอะไรนี้นะเตอันเธอทินเนให้แล้วสังเคแก่สงอหังเจวเราด้วยนั่นเทียวปูชิโตพวิษสามิจักเป็นผู้อันเธอบูชาแล้วเมื่อเธอให้จีวร น, นี้แก่สงก็ได้ชื่อว่าเธอได้บูชาเราด้วยพระวิสามิจักเป็น บูชิโตผู้อันเธอบูชาแล้วเราเนี่ยเองเราจะเป็นผู้ที่เธอได้บูชาแล้วทินเนเมื่อทานอนทานเนใส่เข้ามานะในที่นี้มีแต่กริยาทินเนทานเนเมื่อทานเตอันเธอทินเนถวายแล้วสังเคแก่สงอะหังจะเอวะ เราด้วยนั่นเทียวปูชิโตพระวิษณ์มิจักเป็นผู้ที่เธอบูชาแล้วจักเป็นผู้อันเธอบูชาแล้วจักเป็นผู้ที่เธอบูชาแล้วอันี้ง่ายแปลแล้วอ๋อแปลเรียบเรียงอีกเลยเมื่อเธอให้เมื่อเธอถวายแก่สงแล้วเมื่อเธอถวายแกสงแล้วเมื่อเธอถวายแกสงแล้ว จะได้บูชาเราด้วยนั่นเทียวถ้าแปลโวหาร น, น่ะนะเราก็จะได้เราก็จะเป็นผู้ที่เธอบูชาแล้วด้วยเราก็จะเป็นเธอเราก็จะเป็นผู้ที่เธอบูชาด้วยจะได้บูชาเราด้วยนั่นเองอ่ะเมื่อเธอให้ทานแก่สงจะได้บูชาเราด้วยอาหางจะเอวะยังไงเราด้วยนันเทียวอ่ะ ต่อไปข้อสี่เป็นคาถาข้อสองเทหิจงให้สังเคแก่สงแค่เนี้ยโคตมีเธอจงให้แก่สงเธอจงถวายแก่สงทินเนแปลเอาความเหลเยเมื่อเธอถวายแก่สงแล้ว เ, เมื่อเธอถวายแก่สงแล้วจักได้บูชาเราด้วย เมื่อเธอถวายแด่แก่สงแล้วจักได้บูชาเราด้วยจะนั่นเที่ยวหรือไม่นั่นเทียวก็ได้พระวิสามิแปลว่าจักไงจักไม่จักมาภาวะที่ไหนภูธาต์อันนั้นของเก่าแล้วยอมนั่นอ่ะ พ, พระวิสามิภาวติอันเดียวกันอนะ่ะมันพระวิสันติวิพัฒน์ไงสตสิสันตินะไรไงก็เหมือนกับภาวภาวะติอันเดียวกันอันนี้แปลว่าจักในอนาคตต่อไปยา คาถายาปลายะมะยังมาลังนางรีทตวานะเจติเยอัลัทธกัญจนะมะยังมาลังโพุทชังคิกัญจะสายากับสาเห็นไหมยาอยู่ต้นคาถาสาอยู่ท้ายคาถาเข้ากับนางรีหญิงใดหญิงนั้นเป็นสองประโยคหญิงใดทําอย่างนี้อย่างนี้หญิงนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอะไรนะดูยานางรีเห็นนารีไหม เห็นนารีไหม ย, ยานางรีหญิงคนใดหรือหญิงใดเฉยๆก็ได้หญิงใดทัดตวานะทัตวานะทัตวานะอ่าทัตวานะถวายแล้วมาลังซึ่งพวงซึ่งพวงมาเลยซึ่งมาเลย ปาลาละมะยังอันสำเร็จแล้วด้วยฟงัยฟงปาลาละนี่แปลวะา่าฟังมะยะแปลว่าอันทำด้วยอันสำเร็จด้วยอันสำเร็จอันทำ ม, มะยะมะยะปัจจั ย, ยอันเป็นวิการแห่งฟงังสํานนสนามหลวงขาแปลทลายอถวายพวงมาลัยที่ทําจากฟางัง ฟังหมายง่ายๆอ่ะพูดง่ายก็คือถวายพวงมาลายัยฟาง <Wow. S 1> เพราะไม่มีทรัพย์อะไรจะถวายได้ก็เลยเอาฟางมามวนม้วนเป็นพวงมาลายัยทุก ว, วันนี้ก็นิยมแล้วนะทําพวงหลีดเอาฟางมาทําพวงหลีดนะไม่ใช่ไม่ใช่วางบาทก็คือพวงมาลัยอ่ะพวงมาลัยไปบูชาอย่างเนี้ยมันพวงมาลัยดอกไม้เนี่ยไม่มีดอกไม้ก็เลยเอาฟางมาทําเช่นอาจจะเอาฟางมาถักเหมือนผมเปียอย่างเงี้ยใช่มถ้กถักถักสวยๆไปบูชา ไหวที่ไหนเจติเยเจติเยเนี่ยเป็นสัตตมีวิพัตแต่ให้แปลเป็นจัตุถีแปลว่าแกเจดีแก่เจดีแก่พระเจดีที่แปลว่าแก่พระเจดีนี้พราะเป็นเจดีบรรจุภาษาลิขิกธาตุของพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้า ญานางรีหญิงใดทัดตวานะถวายแล้วมาลังซึ่งพวงมาลัยปะลาละมะยังอันทำด้วยฟางเจตเยแก่พระเจดีสานางรีสาก็สานางรีเหมือนเดิมนั่นแหละสานางรีหญิงนั้นหญิงนั้นอะลัทธะอะลัถะเป็นกิริยาอะลัทะไม่ใช่อะัทังอรัถะได้แล้ว อาัทธได้แล้วมาลังซึ่งพวงมาลัยมาลังซึ่งพวงมาลัยกันชนะมะยังอันทําด้วยทองคําอันทําด้วยทองคําจะและโพชังคิ้กังอันทำ อ, อ, อันโพชังคิ้กังมาลังซึ่งและนะจะและนะนะจะและ พช้ังขีกังมาลังซึ่งพวงมาลัยคือโพชอ <Wow. S 1> ชงคำว่าพ่อชงก็คือทำเครื่องตัดสังรู้นั่นเอง <Simple. S 1> หมายถึงว่าผู้หญิงคนนี้พอเอาพวงมาลัยฟังไปไหว้พระเจดีเนี่ยนะได้พวงมาลัยทองคําด้วยแล้วก็ได้บรรลุด้วย <Wow. S 1> ได้ทั้งพวงมาลัยที่เป็นวัตถุได้ทั้งพวงมาลัยที่เป็นทำช่วยให้บรรลุเป็นพระโสดาบันด้วย อาก็สอไปสอมาจะแปลเอาความใช่ไหมอ้าวแปลเอาความหญิงใดหญิงใดถวายพวงมาลัยฟางหญิงใดถวายพวงมาลัยฟางแก่พระเจดีหญิงนั้นหญิงใดถวายพวงมาลัยฟางแก่พระเจดีหญิงนั้นหญิงนั้นได้ครับ พวงมาลัยทองหญิงนั้นได้รับพวงมาลัยทองและพวงมาลัยคือโพดชงวงเล็บว่าบรรลุโสดาบันเอาทำเครื่องตัดสรุปโพดชงอะเริ่มตั้งแต่สติสัมโพดชงเป็นต้นโพดชงเจ็ดนั่นแหละเอาเล่าเรื่องก่อนสั้นๆไม่ยาวหรอกอ๋อ พอชงโคสติสังขารโตธรรมนังวิจโ ย, ยตถาวิยับสวดเลยดีไหม <c oughs> <c oughs> วันหน้าก็จะสอนอยู่พอชงก็สูดเก็ <c oughs> ไล่ไปสิละ่ะ <c oughs> พ่อชงเจ็ดสติสัมพชงต่อไป <c oughs> วิริยะสัมพชงต่อไปฮะธรรมวิอันนั่นแหละสวดไป ธรรมนังวิจโยตถาวิริยะปะสัสสิผู้หญิงคนนี้เนี่ยได้ข่าวว่าเขาสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระกัตสปะสัมมาสัมโพธเจ้าอยากจะบูชาพระเจดีย์แต่ไม่มีอะไรเลยเพราะเป็นหญิงยากจนนะคืหญิงยากจนไม่มีอะไรเมื่อไม่มีอะไร ก็ไม่รู้จะทําอะไรเป็นเครื่องบูชาสักการะเดินไปทุ่งนาเห็นกองฟางเต็มอยู่ตามทุ่งนาก็เลยนําเอาฟางนั้นนะมาร้อยมามัดมาผูกทําเป็นเหมือนพวงมลาลัยแล้วก็น้อมนําไปกราบถวายพระเจดีและตั้งความปรารถนาว่าด้วยบุญที่นําพวงมลาลัยญ้ามาไหว้พระเจดีนี้ขอให้ข้าพเจ้าจงได้พวงมลาลัยทองคําหรือไม่ก็ให้ได้บรรลุ ในศาสนาของพระพุทธเจ้าในอนาคตข้างหน้าได้ผลบุญนี้แหละตายจากภพนี้ไปเกิดบนเทวโลกหลายหลายชาติแล้วกลับมาเกิดในมนุษย์โลกในในปัจจุบันศาสนาของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยแล้วก็ได้ทําบุญเมื่อได้ทําบุญแล้วเนี่ยได้อภิเศกเป็นมเหสีของพระราชาด้วยการส่งพวงมาลัยทองคำเนี่ยเป็นค่าสินสอดไป แล้วหลังจากนั้นได้ฟังธรรมของพระเจ้าได้บรรลุโสดาบันบุคคลดังนั้นพอบรรลุโสดาบันแล้วก็ตัวเองก็เลยอะไรล่ะมาเดินเดินเดี๋วเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องให้คนก็สงสัยว่าเอ๊ะพระเทวีเป็นอะไรเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องให้ก็เลยถามเพราะอเลึกอดีตชาติได้เลยถามว่าเป็นอะไรที่หัวเราะร้องให้เนี่ยเป็นบ้าไปแล้วหรือก็เลยเล่าความปรารถนาของตัวเองให้ฟังในอดีตชาติ ว่าปรานาว่าอย่างนี้นี่นะความปราน า, าสองอย่างนี้ได้สำเร็จแล้วก็เลยมีคาถาเนี่ยขึ้นมาบอกว่าผู้หญิงคนไหนถวายพวงมาลัยฟางแดดพระเจดีได้ทั้งพวงมาลัยทองคได้ทั้งบรรลุธรรมส่วนเรานี่ถวายอะไรมาก็ไม่รู้พวกที่จะบรรลุพวะไ<ว><ว>ปเลยอย่าหวังผลนอย่าปรานามันเป็นโลภะ ถามถามก่อนว่าคนที่พูดอย่างนี้มีโลภะไหมคําว่าอยากกับไม่อยากเนี่ยมันโลภะไหมมันก็ยังโลภะอยู่อยากก็โลภะไม่อยากก็โลภะอยู่ดีอยากก็เป็นปัญหาไม่อยากก็เป็นปัญหาอยู่ดีมันเป็นเพียงทัศนะอย่างใดอย่างหนึ่งในอธัธยาศัยของคนที่แตกต่างกันเอามาเป็นมาตรฐานไม่ได้หรอกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าต้องตัดอย่างเนี้ยทําบุญอย่าปาถนานะพระพุทธเจ้าตัดไว้ เมื่อทำให้ครบสมบูรณ์แล้วจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็จะบรรลุผลแต่ถ้าปรารถนาแล้วเพียงแต่ว่าตั้งตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าเราจะทำอะไรเพื่ออะไรเพื่อจะเพิ่มให้ความภาคเพียรความบุตสาหานั้นนะมีกำลังมากขึ้นจะได้บรรลุผลได้เร็วพอวันนี้